วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้แสดงถึงมหาสติปัฏฐานในสูตรส่วนที่ว่าโดยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในการตั้งสติระลึกรู้ดูธรรมะทรงซึ่งทร ง, ง, งจำแนกไว้เป็นหมวดหมวดเรียกว่าปภะ กำลังพูดถึงส่วนที่เรียกว่าอายตนาปภะที่แปลว่าบวดซึ่งว่าด้วยอายตนาคือตาเห็นรูปผูกฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายทูกต้องเย็นรอ้อนอนแข็งใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายทรงสอนให้ดูในกรณีที่กิเลสเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งหนงแง่ของความเป็นจริงแล้วจะเป็นกิเลสหรือธรรมะหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นกลางๆพูดง่ายๆว่ากุศลอกุศลหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นกลางๆมันก็เกิดขึ้นมาทางประสาทสัมผัสทั้งนั้นแต่เฉพาะหมวดนี้ทรงสอนให้มองเฉพาะเรื่องของกิเลสและโดยให้รู้เห็นทำความเป็นจริงว่าในแต่ละขณะขณะที่เราสัมผัสอารมณ์ในด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม ก้อยดูกิเลสเขาได้ข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็พยายามมองให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นดูการปรากฏของกิเลสเหล่านั้นดูลักษณะการทํางานของเขาที่มีการแผดเผ่เราร่าเผ่าจิตใจของบุคคลให้มีความเร่าร้อนซึ่งก็เป็นสัมผัสตรงที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นแล้วก็เรียนพยายามที่จะลดละบันเทา ความรู้สึกนึกคิดด้วยอํานาจของกิเลสออกไปและกิเลสที่ทรงสอนให้มองเป็นกิเลสที่ค่อนข้างละเอียดอันเรียวกว่าสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่ผูกใจใสัตวมีลักษณะเป็นตะกรอนใจคือนอนสงบอยู่ภายในใจต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกหรือว่าเนียวดึกตรึกนึกโดยใจของตัวเองอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น กิเลสแนวลึกๆนั้นมีคำเรียกหลายๆคำแต่โดยลักษณะประเภทที่จริงก็คือพวกเดียวกันได้แก่พวกโลภโลกรธลงนั่นเองเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าหกใจสัตว์ไวเรียกว่าอนุัยแปลว่านอนเนื่องนอนส ง, งบอยู่ภายในทำนอนทำนองตะกอนนอนก้นภาชนะ คืลักษณะเหล่นานี้ปผนสังเกตว่าที่จริงมันก็มีทั้งธรรมะทั้งกิเลสคือพูดง่ายว่ามีทั้งความดีและความไม่ดีเขาก็สงบอยู่ภายในด้วยกันแต่เมื่อมีตัวกระตุ้นมาข้างนอกเราจะเห็นอาการายภายในจิตของเราชัดเจนว่าพื้นฐานความดีมันมีอยู่มากที่เ ร, เรียกว่าบารมีมันมีอยู่มากแม้อารมณ์จะกระแทกกระทันมาจากข้างนอก ยั่วยวนใหรักใคร่หลงไหลได้ปริ่มยัวย่วยุกไอ้โกรธแค้นขัดเคืองชิงชังหรือว่ามอมเมาให้เกิดความลุกหลงเพลิดเพลินแต่รดน้้ก้อให้เกิดความสับสนจะเกิดอาการประมาทซึ่งอาการเหล่านี้สร้างความสับสนให้แก่บุคคลมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าพื้นฐานคือธรรมะของท่านเหล่านั้นมีความหนักแน่นแ้วก็อ่อนไหวได้ยาก แต่ปัญหาสำคัญว่าจะหนักแน่นขนาดไหนความหนักแน่นที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานจริงๆเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับภูเขาศิลาแทง่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมด้วยฝนด้วยแดดถึงพัดป่าจะทิศทั้งสี่ซึ่งก็หมายความว่าใจขนาดนั้นจริงๆมันก็ต้องหมดสังโยน์แล้วแต่คนที่ยังมีสังโยน์อยู่จะมากหรือน้อยก็าตามนั้น จะไม่เข้มแข็งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสามารถต้านทานกระแสของอารมณ์หาก็ไม่แรงเกินไประดับหนึ่งเราก็ต้านทานไว้ด้วยอารมณ์ด้วยธรรมะคือศีลศีลนั้นที่จริงก็ป้องกันกิเลสประเภทดังกล่าวนั่นเองเพียงแต่ว่ามันล้นออกมาข้างนอกแล้วสมงเรียกกิเลสประเภทนี้ว่าวิติกมะคือมันทะลักล้นออกมาข้างนอก บังคับแสดงอาการไม่ดีทางกายทางวจาออกมาเป็นการประทุษร้ายต่อตอนเองและประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นหรือแม้แต่ประทุษร้ายต่อตอนเองก็ถือว่าเป็นอาการของกิเลสซึ่งท่านสาธาชนทั้งหลายให้มองดูศีลว่าศีลบางข้อนั้นประทุษร้ายเฉพาะเราเองแต่ศีลบางข้อประทุษร้ายทั้งตัวเราและคนอื่น อย่างศีลประเภทที่เรียกว่าโล ก, กวัชระคือมีโทษทั่วทั้งโลกหมายความว่าใครทําก็ตามก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องนับถือาศาสนาพุทธหรือาศาสนาอะไรมันเป็นความผิดประเภทสากลเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกาลการพูดเท็จเป็นความผิดสากลทั่วไป จนวนศาสนาท่านเรียกว่าโลกกวัชชะคือมีความผิดทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้า ก, ก็ส่งบัญญัติพระวินัยซ้ำลงไปในจุดนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปันณติวัชะคือมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยแต่พวกดื่มสุรากินอาหารตอนเย็นวรนรำขับร้องประโคมดนตรีดิสีทีเป่าดูการเล่นต่าง ปัณฑาปาร่างกายโดยระเบียบลอกไม้ของของเครื่องยอง้อมเครื่องทานอนบนที่นอนนั้นสูงใหญ่ภ า, ายในมีนุนในสมรีนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นโลกวัชชาเป็นความผิดเฉพาะกลุ่มเป็นการระตุสร้ายต่อตั ว, ตวเองคือ ท, ทำลายสัจจะในตัวเองเราสมาทานศีลแปดว้ปรากฏรักษาไม่ได้มันก็หลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นแต่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าถูกหลอก เอาจริงเราก็หลอกตัวเองหราวัตถุสรายตัวเองทําลายคุณความดีของตัวเองแต่กิเลสไม่แรงเราก็คุมไม่ได้โดยอาศัยจิตสํานึกต่างๆแสดงว่าพื้นฐานคุณธรรมดีแม้จะมีตัวกระแทกกระทันมาจากข้างนอกแต่ก็คุมตัวท่านได้แต่บางครั้งก็ยังมีความขุ่นข้องมองใจยังมีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น พูดทกระทำต่อต้นยังไม่ได้ชื่อว่าสงบจริงเพราะยังถูกกิเลสแผดเผาหลนใจตัวเองอยู่กิเลสประเภทนี้แหละแต่มันขึ้นกรุ่มรุมใจต่นี่อีกอย่างหนึ่งว่า น, นิวรณ์นิวรณ์ก็คือโลกกรดลงคือพวกสังโยชน์คือพวกอนุสัยคือพวกที่มีชื่ออย่างอื่นเพียงแต่ว่าพอเกิดขึ้นรุ่ ม, มใจก็เรียกอีกอย่างหนึ่ง ทำนองคล้ายๆกับลูกกบดูค่อนข้างเห็นได้ชัดลูกกบเราก็เรียกชื่อเปลี่ยน ไ, ไเยเปเรื่อยๆเกี่ยวกัจะเป็นกบแต่ในกระบวนการนี้ที่จริงก็คือกบกิเลส ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเรื่อชื่อตามอาการที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลเป็นภาพสะท้อนในค น, นึกเป็นมโนภาพขึ้นภายในใจได้ว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไร เช่นอนุสัยนอนสงบอยู่ภายในใจเรามองภาพของตะกรอนเรามองภาพของคนที่นอนหลับเรามองภาพของสัตว์ดุร้ายที่เกลักมันก็ไม่ทำอะไรใครแต่ก็น่ากลัวพอใครทำให้เกิดตื่นขึ้นเกยก็ลุกขึ้นมาก็แสดงอาการไปตามสภาพเดิมของแกเสือก็แสดงอาการอย่างเสือ แมวก็แสดงการดักแมวงูก็แสดงการดักงูออกมากิเลสภายในใจมันก็เป็นอย่างนี้อีตอนแกนอนเนื่องจาภายในใจก็เหมือนกับคนนอนเหมือนกัตริย์นอนแต่อากาอย่างไงมันก็ทําอะไรใครไม่ได้แต่ก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายทุกขณะเมื่อแกตื่นขึ้นแต่ว่าตื่นขึ้นทําให้ถึงก็ออกมาจากข้างนอกท่านก็เรียกแค่ปริยุทธานกกิเลส กิเลสจเกิดขึ้นรุมใจเรียบเป็นภาพให้เห็นชัดว่านิวรณ์เหมือนขวางมันกั้นมันขัดขวางเอาไว้ไม่ให้ใจสงบได้จะคิดดีก็ไม่ได้จะทําดีก็ไม่ได้จะพูดดีก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่อาจคิดดีได้การพูดดีการทําดีนั้นมันสืบเนื่องมาจากการคิดดีเมื่อคิดดีไม่ได้ทําดีก็ไม่ได้พูดดีก็ไม่ได้แล้วยังอื่นมันก็ไม่ได้ ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุปนิพนธ์เป็นปัญหาใหญ่ที่เราพูดเรื่องสมรถกรรมาฐานเมื่อกี่ครั้งกี่หนเราก็เจอตัวนี้ทุกทีเป็นการกั้นจิตคนไม่ให้ประสบความดีและเป็นการกั้นไม่ให้คนแสดงความดีออกไปได้ทางกายทางวาจาเป็นอุปสรรคเป็นภูเขาที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคนไว้ใ้รดับนี้ก็สอนในมองเห็นทุก ซึ่งบางครั้งเวลาเกิดขึ้นไปในอารมณ์เราเราก็แยกไม่ออกว่ามันอยู่ระดับไหนเช่นสมมุติว่าคนทําให้โกรธโกรธบูบทันทีด่าสวนไปทันทีแสดงว่าออกครบแล้ออกมาทางทางใจก่อนแล้วก็ไปกระทบกายกระทบวาจาก็ออกมาทางวาจาเลยบางทีด่าแล้วก็คว้างปาตามไปด้วยเราเห็นครบว่าการของ ของสังโยชน์ของอนุสัยของอสเวของโยคะอะไรที่เรียกชื่อต่างๆมันออกมาเลยผ่านขั้นนิวรณเป็นวิติกะมะล้นหายมาอะไรสกัดมาอยู่สักอย่างเดียวศีลก็สกัดมาอยู่สมาธิก็สกัดมาอยู่ปัญญาก็สกัดมาอยู่พอถึงจุดนั้นมันก็เป็นอันตรายดูจริงๆเราก็ดูไม่เคยทันเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากเราจึงเห็นลักษณะชั่ววูบของอารมณ์ ที่คนซึ่งเคยทำดีมามากมายเลยเกิดแล้วก็วูบเดียวของอารมณ์เราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจริ ง, รงๆแล้วมันมีตัวกระแทกกิเลสเกิดขึ้นเร็วมากฟูกขึ้นมาจากนอนอยู่ภายในลุกขึ้นพรวดก็กระโจนเข้าเขยํามเลยหมายความว่าผ่านทั้งใจผ่านทางการนอนออกมากลุงมรุมใจแล้วก็ออ ก, ออกทางกายทางวาจารครบถ้ามันมีอยู่มากมันก็จะมีความต่อเนื่อง มีการฆ่าที่รุนแรงมีการทำลายล้างที่รุนแรงรแสดงว่ากิเลสมัน ย, ยนังออไม่ยอมสงบเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีธรรมะเป็นหลักอยู่มากภายในใจเองเนี่ยธรรมะก็มีอิทธิพลอาการที่เราเห็นได้ชัดคือการรู้จักยับยั้งชั่งใจการหยุดตัวเองได้เกิดกลัวขึ้นมาปุบหนึ่งหยุดตัวเองเกิดริษยาขึ้นมาหยุดได้เกิดโลค เกิดมาหยุดได้เป็นการข้ามใจตัวเองได้มีคนเคยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้มีมีไหมคนที่สามารถห้ามใจตัวเองได้ห้ามไว้ด้วยหิริอุตรปะท่านยกตัวอย่างหิริอุตรปะแต่การห้ามใจนั้นเป็นสังเกตว่าจะห้ามด้วยอะไรก็ได้เราอาจจะพูดเลยไปเป็นการห้ามโดยเมตตาห้ามใจดโดยสติห้ามใจโดยสัมปชัญญะห้ามใจด้วยหิริอุตรปะห้ามใจโดยปัญญาอะไรก็ได้ ให้เป็นกุศลธรรมก็แล้วกันก็ข้ามใจได้ทั้งนั้นเพราะไรเพราะกุศลธรรมนั้นมันตรงกันข้ามกับอกุศลธรรมเมื่อก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมต้องลดลงไปอย่างน้อยระดับหนึ่งทํานองความเย็นที่เกิดขึ้นมันต้องลดร้อนลงไปอย่างน้อยระดับหนึ่งแต่ถ้าปริมาณของความเย็นก็มากเพอเขาก็จัดความร้อนได้ปริมาณธรรมะที่สงบอยู่ภายในใจมันก็มีลักษณะอย่างงั้น เพราะเราจึงเห็นอาการของธรรมะที่เราเรียกว่าระดับบา ร, รมีที่มันมีอยู่สูงภายในใจสะท้อนออกมาเป็นปุกลิกภาพันรพยสารของราชกุมารที่ชื่อว่าสิท ธ, ธรรัตถะที่จริงท่านก็เกิดอยู่ในโลกจะเดิญเติบโตในโลกเราสั่งเล่าว่าพระองค์ที่จริงก็เหมือนกระดอกบัวมันก็เกิดมาจากโครนโตมนันแหละ แล้วจะเริญเติบโตอยู่กับโคนตรมนั่นแหละแล้วก็อยู่กับโครนตรมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่ายกตัวเองขึ้นมาพ้นโคลนตรมคนมคน้ำพอพ้นแล้วโคลนตรมก็เปื่อนไม่ติดน้ำก็เปื้อนไม่ติดไปแตะได้แต่ว่าก็ตกกลับไปอารมณ์โลกสาหรับพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น มันก็มีอารมณ์โลกอยู่โดยปกติคงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นรถถูกตร้องหยู่นอนแข็งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวธรรมอาคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรูปก็สักแต่ว่ารู้เสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นในด้านความรู้สึกแต่ในด้านสมมติบัญญัติเขาเรียกว่าโล ก, กโวหารโล ก, กภาษา พระเจ้าก็ต้องมีตรงนี้เขาเรียกว่ากาหมามวจรภูมิคือจิตนั้นจะต้องใช้ระดับกาหมามวจรพุ่มไม่ง้นมาติดต่อกับคนไม่ได้เรายกจิตขึ้นสู่โลกุตรพุ่มหมดหมายความความอะไรเป็นปรมัต ธ, ธรรมหมดก็จบมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยไม่ต้องสอนไม่ต้องสั่งไม่ต้องทําอะไรแล้วมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหมดแล้วอันนั้นเป็นสภาพจิตแต่อย่าลืมเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไปนั่งคุยกับเด็กอ น, อนุบาลเราก็ทุกอย่างต้องเป็นตามเด็กอนุบาลว่า ตุ๊กตาเป็นน้องก็เป็นน้องเป็นพี่ก็เป็นพี่เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกินข้าวก็กิกนอาบน้ําก็อาบก็ไม่ว่าอะไรกันนั่นคือโลกของการสมมุติดังนั้นเราจึงพบพระพุทธเจ้าทรงตําหนิทรงดุพิกษุทั้งหลายก็ดุแรงๆเห็นพระคุยกันส่งเสียงดังรับสั่งให้พระอานนท์ไปดูซิดูซิอานนท์ใครส่งเสียงยะเกิดชาวพระมง์แย่งปรากันนี่เป็นพระพุทธํารมที่ตรัสบ่อย รพระพราหม์ก็คือคนนะพระสมัยพระพุทธเจ้าก็คือคนคนมันก็มาฝึกปรืออบรมได้ดีบ้างไม่ดีบ้างทําได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ทําชั่วรุนแรงจนถึงกับวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าตัวเองจนถึงกับลงมือฆ่าเองอะไรแต่ะอย่างที่เรารู้กันอันนี้ก็ต้องอบรมฝึกปรื อ, รอสั่งสอนแต่ไม่ได้ทําด้วยความโกรธไม่ไทําด้วยอารมณ์อย่างที่ชาวบ้านก็ทํากันนั่นก็คือลักษณะของ ยิตที่ไม่มีกิเลสอยู่เลยแต่วันในตอนสมัยที่เป็นราชกุมารเนี่ยที่จริงยังมีกิเลสเพียงแต่ว่าบา ร, รมีเขามากกว่าพวกอนุสัยสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์สิ่งที่เรียกอาสะวะโยคะกันธาโอค ะ, ะอะไรก็ตามเรียกชื่ อ, อมากมาย ก, ายก่อนเนี่ยเป็นการเรียกอาการท่านสายชนทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่ากิเลสเนี่ยเราไม่มันเป็นนามธรรมมันเป็นสะพานทางใจ ไอ้โทษจะเห็นได้ชัดมันต้องดูที่ส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุเพราะบางครั้งส่งอุ ป, ปมาเป็นไฟเรานึกไฟได้แต่อธิบายกิเลสไม่ได้เพราะอธิบายไฟได้ไฟมันก็มีคุณนานามีโทษมหาหันคุณโรคของไฟอยู่ตรงไหนอยู่ที่เราคุมมันหรือมันคุมเราถ้าวันใดเราคุมมันไม่ได้วันนั้นก็ยุ่งกิเลสอ่ะกิเลสมันก็เหมือนกัน วันใดที่เราคุมความโลภไม่ได้คุมริษยาไม่ได้คุมแข็งดีไม่ได้คุมความโกรธไม่ได้วันนั้นก็ยุ่งแน่แรงขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ยุ่งแน่แต่วันใดเราคุมไม่ได้โกรธข่มไม่ได้โลภข่มไม่ได้อิสระอิริษยาข่มไม่ได้เป็นต้นเอาขนาดข่มไม่ได้หากข้ามใจได้เบรกตัวเองได้หยุดอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ชนแล้วก็ไม่เกิดเป็นอันตรายไกๆ อันนี้ไม่ได้หมายความหมดกิเลสแต่ว่าหยุดกิเลสตรงนั้นได้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในอการปฏิบัติจึงมีอยู่ทุกๆแนวที่ส่งวางเอาไว้แต่โดยความก็คือว่าจะน้อยที่สุดย้ายคนตกอยู่ภายนา้กังกิเลสมากเกินไปพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถ้นทรงมีพระบารมีมากถ้าถามสังย์มีไหมก็มีเพราะพระุทธเจ้าลาสังยดได้เมื่อตอนจัดสรุป ตอนสัตรู้เป็นพระอาหารต์ทศมาสมุทตะเจ้านั่นแหละุู้เจ้าละสังโยชน์ได้หมดยันที่เคยเรียงมาตามลำดับให้ดูว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆการละกิเลสระดับสังโยชน์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่พอละได้แล้วมันกระเทือนถึงทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดยกตัวอย่างเช่นการละของพระโสดาบัน ปโสดาบันนั้นส่วนลึกของจิตใจท่านละสักกายติจิตคือความเห็นเป็นถือตัวถือตนคือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาวิจิกิจชาความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเรื่องพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์และในเรื่องศีลสมาธิปัญญาขจัดการถือมั่นด้วยศีลโดยวัดข้อปฏิบัติที่งมงายไร้เหตุผลต่างๆหรือว่าแม้แต่ไม่ไร้เหตุผลมากแต่ แต่มีลักษณะของการทิฏมันถรือมันก็ถือว่าเป็นความผิดอันั้นคือตัวลึกที่สุดที่ที่พระโสดาบั น, นละได้มาความมันเป็นการละได้ระดับของสังโยชน์แต่เมื่อละระดับสังโยชน์แล้วเราดูอาการของกิเลสที่ปรากฏระดับนิวรณ์ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าพระโสดาบันนั้นไม่มีวิจิกิจฉา ไม่มีวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงในตรายจิกาพอไม่วิจิกิจฉาแล้วเป็นยังไงไม่มีวิจิกิจฉาแล้วท่านก็มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงและในตรายจิกายอมสละชีวิตได้เพื่อรักษาความถูกต้องดีงามของพระรัตนตรยัย คนจะจ้างวานด้วยทรัพย์จำนวนมหาศาลให้ปฏิเสธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พระโสดาบันไม่ปฏิเสธแล้วสมมติเราเขาจะฆ่าให้ตายท่านทั้งหลายคงนึกถึงนางธนัญชานีพระมณีที่ทะเลาะ ก, กับสามีเรื่องสามีบังคับให้ไหวพวกชีเปลือยท่านไม่ยอมไป ท่านกล่าวนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจา้าโดยบทนโม ต, ต่อหน้าพระพราหม์ชักดาบขึ้นมาจะฆ่าให้ตายนางก็บอกว่าฆ่าได้มันก็ฆ่าเฉพาะร่างกายฆ่าจิตใจที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าของชั้นไม่ได้หรอกนี่แสดงเห็นว่าจิตใจเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นระดับนิวรณ์มันก็สงบเมื่อดับนิวรณ์สงบหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าใจท่านมีสมาธิ อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นท่านมีครบแต่ไม่สมบูรณ์หมายความว่ามีในลักษณะปิดประตูนรกได้เปิดประตูสวรรค์ได้แน่นอนท่านเหล่านี้ไม่ตกนรกครัที่การตกนรกเนี่ยมันเกิดจากการทําบาปหยาบบาปหยาบพราบภูมิหยาบมันเกิดมาจากจิตหยาบการพูดหยาบการทําหยาบแล้วก็พบภูมิที่เราเกิดก็หยาบ พระโสดาบันจึงมีสี่ทาสมบูรณ์สีหน้านั้นเกิดขึ้นโดยมรรคหมายความว่ามีความสมบูรณ์ไม่ต้องสมาทานพอเป็นพระโสดาบันปับ๊บศี่ท่าก็สมบูรณ์ปุ๊บทันทีแล้วไม่ละเมิดศี่ท่าแต่ตั้งก็มีครอบครัวเพราะศี่ทาไม่ได้ห้ามการมีครอบครัวห้ามการมีครอบครัวระดับศี่แปดขึ้นไปเท่านั้นนั้นตัณหา จ, จะเห็นความต่อเนื่องว่ามันเริ่มมาจากบุศน เพิ่มขึ้นภายในจิตมล้วก็สงบระดับนิวรณ์สงบมาถึงกายถึงวิจารก็กระเทือนถึงกันทั้งหมดก็ทำนองคล้ายๆกับรถรถน้ำต้นไม้ที่โคนแล้วก็ไปสดชื่นทีถถ่ถึงปลายกันต้นไม้นั่นเองหรือว่ารถมาจากปลายมันก็สดชื่นมาถึงโคนด้วยลักษณะของธรรมะปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้นบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ได้เจ้าชายทิตตะที่เราเขียนว่าทั้งๆทงี่ท่านก็มีสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่แรงกำลังธรรมะมันมากกว่าเพรา ะ, ะนั่งจะเห็นภูมิปัญญาของท่านในการมองโลกในแต่ละจุดและการหาความสงบในแต่ละจุดในแก่ชีวิตประชชนมายุเพียงเ็ดขวบ ในขณะที่คนกําลังสุขสนุกสนานกันด้วยพิีวิปะมงคลแรกนาะขวบมานั่งสมาธิจะได้นั่นไม่ใช่คนธรรมดาเด็กเจ็ดขวบเด็กที่กําลังสนุกสนานกําลังเล่นกําลังสดแต่ขณะที่ผู้ใหญ่สนเด็กมานั่งสมาธิแล้วไม่ใช่นั่งเล่นเล่นนั่งนั่งจนได้ปฐมฌานแล้วก็ได้เวลารวดเร็ว แสดงว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าอาการของสังโยชน์นั้นมีจริงแต่อาการของนิบรณนไม่มีใจมันพร้อมมันโน้มน้อมก็หาความสงบเพื่อนั่งหน่อยเดียวต่างก็ไปแล้วพอเข้าศึกษาในสานักของครูวิศวามิตรตัวเองนึกภูมิปัญญาของท่านที่โดดเด่นมากเพราะเด็กเจ็ดขวบ ศึกษาและเรียนในสำนักครูบาอาจารย์อายุ1ิ16าก็จบศิลปศาสตร์ถึง18ศาสตร์อาจารย์ยอมไม่มีความรู้สอนแล้วความรู้เก่งกว่าท่านจะได้วยซ้ำไปมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องต่างๆเราเห็นอะไรเราเห็นอาการของปัญญาของสติสแสดงว่าอะไรเมื่อสิ่งนี้มันเกิดไม่สงสัยขจัดความสงสัยได้ขจัดความคิดฟุ้งซ่านได้ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญไม่งนงหงัไม่ง่ว ง, ง, ง, ง, ง, งซึมไม่เก็บกดด้วยความอาคตาิ ป, ปิยบัตใจไม่สายออกไปข้างนอกไม่ใช่นั่งอ่านหนังสือแล้วใจไปคิดถึงคน น, ค, นน ค, นนคนนั้นคนนี้คนโน้นด้วยความรักความชังสแสดงเห็นอะไรสะแสดงว่าแม่นิวรณ์เองก็สงบถึงไม่ถึงกับบรรลุสมาธิก็ตามแนหะแต่ว่านิวรณ์ก็สงบ อาการที่ปรากฏจึงเป็นอาการที่เย็นทั้งก็เย็นได้เห็นมาตั้งแต่เป็นเจ้าชายิตธัตถะนางกีสาโคจมีซึ่งเป็นพระญาติเดินสวนกับเจ้าชายิทธัตถะท่านปะลึง่งพอเห็นปั๊บในท่านบอกท่านกล่าวอุทานเป็นภาษาบาลี ว น, นิปุตานุนาสามาตานิปุโตนุนโสโปิตานิปุตานุนาัส า, า, น, า, น, น, า, สานารียัสายังอิดิโสปติใครเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ดับเย็นสงบละใครเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ดับเย็นสงบละผู้หญิงใดที่เป็นสามีของผู้ชายคนนี้ก็ดับเย็นสงบลวเพราะได้สามีจึงมีรัศนะเช่นนี้ แสดงเห็นว่าอาการที่ปรากฏทางกายทางวาจาของเจ้าชายนั้นส ง, งบแต่มันส ง, งบมาจากไหนมันส ง, งบมาจากภายในประไทยอันนั้นเป็นอาการเฉยๆมันเหมือนอาการของความร้อนความสว่างความมืดต่างๆที่ปรากฏแก่กสายตาของเราเป็นความร้อนที่ปรากฏแก่ น, น้ำมันไม่ใช่น้ำร้อนแต่มันความร้อนเป็นเป็นอาการของไฟซึ่งเผาให้น้าร้อนเพราะน้ามันเย็นน้าไม่ได้ร้อน นั่นก็เรียกว่าอาการอาการมองเห็นเป็นนิบุตรานิบุตราต่อมาก็คือคําว่านิพพานนั่นเองเป็นการดับเย็นระดับครองเรือนครองสุขท่านก็ถือว่าเป็นนิพพานระดับหนึ่งเป็นนิพพานในเราสัมผัสได้ในขณะนั้นน่นเพราะอาการของจิตจึงมีความต่อเนื่องกันทั้งสามระดับแต่ถ้าเรียกเชื่อเห็นแตกต่างกัน เรียกว่าล้นออกมาข้างนอกมาเราก็มองเห็นภาพการล้นต้มน้ำแล้วก็น้ำเดือดล้นออกมาข้างนอกปรุงอาหารแล้วก็พออาหารเดือดแล้วมันล้นออกมาข้างนอกตากน้ําใส่ตุ่มน้ำล้นออกมาข้างนอกเราเห็นภาพของความล้นมันมันยุ่งแล้วมันเปื้อนแล้วมันมีปัญหาแล้วแลว้าล้นมากๆมันแคกลายเป็นเรื่องใหญ่มากปัญหาผิดที่เกิดขึ้นในโลกจึงเป็นการล้นของกิเลส ระดับการผิดศีลทั้งหมดพอล้นมันก็วุ่นในการรบราข่าวฟันกันวุ่นไวายไปหมดทําไปทำมามันก็ไม่มีอะไรก็คนผิดศีลห้ถามว่าทําไมผิดศีลถ้ามันโดนสกัดไว้ไม่อยู่สังโยชน์มันฟูขึ้นมาแล้วก็กลายกลุ่มรุมใจแทนที่จะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้มันก็ล้นออกมาข้างนอกศีลก็คุมไม่อยู่สมาธิก็คุมไม่อยู่ปัญญาก็คุมไม่อยู่ประคุมไม่อยู่คนก็ทําอะไรไปตามอํานาจของสังโยชน์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังลึกๆนั่นเองโดยมีอวิชชาเป็นโครเป็นรากง่าวของสัตว์ไปกิเลส ท, ทั้งวปวงเพราะการปฏิบัติพอเกิดเป็นความสงบแล้วมันก็สงบต่อกันไปลักษณะเหล่านี้ในเจ้าชาจิตตตะจึงมีภูมิปัญญามีสติมีความเพียรที่เราเห็นเห็นคนรังแกสัตว์ก็โอบอุ้มป้องกันสัตว์ เห็นนกเหยื่ยวแยกอาหารกันทั้งก็มองเป็นโลกกว้างใหญ่ไพศาลเห็นความเป็นโลกมีการแย่งมีการเบียดเบียนประทุสร้ายกันด้วยความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงคืออะไรก็คือพวกสังโยชน์คือพวกนิวรณ์คือพวกอนุสัยคือพวกที่ทําให้คนผิดศีลแล้วก็ผิดอะไรทั้งหลายความผิดทั้งบ่งมาจากสังโยชน์มาจากกิเลส ท, ทั้งหลาย จำนวนนั้นท่านอาจจะเรียกมากเรียกน้อยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าท่านหลายลองดูสภาพจิตจริงๆในขณะที่เรามีความรักนั้นเราก็มีความหลงความโกรธอยู่ด้วยมันแฝงอยู่ตรงนั้นแหละสมมติว่าเรารักคนนี้ใครมาทําอันตรายคน ร, รักเราเกิดโกรธทันทีความโกรธมาจากไหนมันก็แฝงอยู่ที่ความรักนั่นแหละเราจะทําอะไรรุนแรงลงไปจนถึงก็ฆ่าเขา มันก็จะเห็นทั้งความโกรธทั้งความโลภทั้งความหลงเป็นอาการที่ไหลต่อเนื่องไม่หยุดใจมันก็ไม่หยุดพฤติกรรมการการะทรําของบุคคลก็รุนแรงออกไปรุนแรงมากๆรุนแรงต่อเนื่องคนนั้นก็กลายเป็นคนผ่านเป็นคนอันตรภาคเป็นคนไม่ชาติจิอย่างที่เรียกที่ดีก็ท่านเรียกอาการอาการที่คนเหล่านั้นเขากระทําเขาประพฤืดเราก็เห็นเป็นความต่อเนื่องกันเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของชีวิต ราบใดที่เรายัางไม่หมดสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่นั้นเวลากระทบอารมณ์มันต้องเกิดกิดเลสหรือว่าเกิดธรรมะแล้วแต่ก ร, รณีในกรณีของอายตนปะปพานั้นทรงสอนให้มองเฉพาะในก ร, รณีของการเกิดกิเลสแต่ในหมวดอื่นชุดอื่นก็มองในก ร, รณีของการเกิดธรรมะ ซึ่งเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติใช้รู้เท่าทันตามที่ทรงสแสดงไว้ผลก็จะเป็นอันเดียวกันคือจะมองธรรมะหรือมองกิเลสก็แตกกลายเป็นความสุขความสงบความเจือจ็ตที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้ตามกระปางการปฏิบัติแห่งตนต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป